วันไหนห ล, ลวลงพ่อรวยหลวงพ่อจะให้มากถ้าวันไหนหลวงพ่อจนหลวงพ่อจะให้น้อยวันนี้รวยเอาให้สามถุงวันนี้พอเลี่งอยู่หัวสาพานหลวงพอ่อมิแตโตจะตจอยปะเล่งเลี่ยงเลี่ย ง, งมันอ้วนว่นนบ่านเอจะมอบให้เน่ยให้อาจารย์เสริมไปเราจะไปให้กับมือเอาจารย์เสริมนะเดี๋ยวมันเป็นพอหลวงพ่อเนี่ยให้ผมอ า, อาหารหม่เลี่ยงเลี่ยงเลยกัดผมมาจอยอีก เวลาไปให้ไรโยนโยนเลถือตะพธพ่อมนเลยไปถือตะโพดพ่อหนูก็โยนให้โยนให้มันตัวได้เยมากใกล้กับยกตะโพธแต่เงินไม่ได้นะเดี๋ยวมาแย่งกับมือนะหลวงพ่อเห็นแล้วกันเห็นแล้วก็ตัวพ่ๆมันสงสารมันเหมือนกันนะแต่ทางในวัดหลวงพ่อก็บอกพราอยู่บอกว่าเอาอาหารทางในวัดให้แต่ดูดูแล้วก็กลัวอีกเพราะอาหารไม่มีอาหารกินน่ะมันจะมาลื้อกุฏิไปเนี่ยเรื่องของเรื่องน่ะ เ, ออเห็นกุฏิพระจะลื้อกุฏิพระเท่นะี่มันเคยมีมาแล้วแต่ก่อนหน้านี้นะี่หลวงพ่อก็เลยเข็ดเลยตท่นะี่เอาอาหารให้ลิงอยู่ทางในวัดนะ่ะแล้วก็มีทางเดียวนะั่ะเอาไว้ทางหน้าวัดแต่เอาไว้ทางหน้าวัดก็เถอะนะถ้าตัวไหนที่มันดื้อที่เป็นหัวหน้ามันจะกัดคนแล้วมันจะมาแย่งของกับคนนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเอาตำรวจพระจัดการมันอีกอ๋อ <laughs> เอาอยัางไงตำรวดพราดหลวงพาใส่กลงแนละ้วดักกลงเลยท่านเลยกลงลิงอนอะพอดักเสร็จแล้วนุ่นเอาไปเอาไปโพดเอาไปโผล่วันไปขาวานเะลเอาไปโพดวัดไอ้หลบเล่านะนะบ้านเพิ่มภูก้อนนาแคร์วันไปที่โพดลิงวันไปแต่พูกก่อนในย่อมแหละภูกกอนบอกว่า พอแล้วหลวงพ่อพอแล้วพ่อแล้ ว, ล อ, อ, ล ว, อ, ลวอยเอาไมา้เอกแล้วสันลายแล้วสันีไอผู้ก่อเนี่ย่นนยยอมแพ้แต่ว่าหน้าแค่เนี่ยยังพรท่านว่าจังไรอยู่แต่บั่นเพิ่มนื้อหมู่มาหมู่มาโยนต่อไปเพราะว่ามันทีมันกว้างขึ้นไงบั่นเพิ่มเนี่กันุ่นปล่อยแล้วมันวิ่งเข้าไปในหุบเขา่นี่ะที่มันกว้างตั้งสองสามพันไร่แถวแถ ว, แถวนั้นอะ่ะแต่หลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยเด้บอกให้พาเนะไปปล่อยไปแล้วไปปล่อยี่ย มึงจะหนีจากพระไก่เด้อวะขั้นมึงหนีจากพระไก่รูปอะไรเนี่ยไอ้หพานเขาเนี่ยเดี๋ยวจะเอามึงไปกำน้องไม่สมอะไรนะมึงนะแก่งเร่งจนน้องไม่สมอย่างกัว่ามึงระวังให้ดีนะมึงจะไปออกไก่จากคู่บาเด้อว่าไปโผล่ก็ไปโพดน่ยมันจูคนี้มันหลายโพดมึงะมันดื้อต่างหากข้ามันหลาย เอาไปย่บมองกุฎแ น, น่เฉลี่ยเฉลียกันอยู่แต่มันก็ขยายพันธุ์เร็วจริงๆนะวัดหลวงพ่อนะถ้านับเอาไปปล่อยแล้วมันเกือบจะเกือบจะถึงพันตัวละวมั้งที่เอาไปปล่อยเนี่นะแต่ขนาดนั้นก็ยังยัวเยะอยู่ในวัดในวันนั้นยากมากอ่ะลิงขยายพันธุ์เร็วมากๆพวกนั้นพวกเข้าคือกันเนี่ยมาวัดหลวงพ่อยรักษาศีลให้พ่อวะนาต่างใจปฏิบัติเนะี่ เพอเพลพระห้าตายไปเลยม้ากองแกงมาไปเลิ่งหลวงพ่อบนไดแถวๆดิขยายพันธุ์ไว้แทวๆอ่ะเออเ่อรย่ามาไปนลิ่งหลวงพ่อเลยดิเพื่อในบางตัวก็จอยๆห่างเธอหลวงพ่อขึ้นใดหลวงพ่อก็เลี่ยงมันห่างเธอหลวงพ่อลืมไปไปทางอื่นล่อลืมลืมลี่งลิ่งกรบพร้อมแลยแน่ๆหลวงพ่อจะพยายามจะบ่อยลืมละ ตอนเชา่ามากเลยเราไยามถือใส่ถุงให้พวกอาจารย์เลิมพวกดาบเอกพวกถกแกล้านมั่นไปโยนโย น, นให้ก่อนจะออกจากวัดไปแต่อย่าไปหายืนกับมือนะบุรีเนาะแต่ไปยื่นกับมือนะบไรีเด้กับมันกัดเขมาม่านะบไรีเด้จริงมีเด็กหน่อยไปนั่มถ้าเป็นเด็กไปด้วยนะอลูกหลานไปด้วยคางๆแล้วจะไปหาให้เด็กอยู่ในรถ อย่าไปให้มันอยู่ข้างนอกเข้าจะไหวใจได้จังไรเร่งอ่ะมันโดดมามัมากัดเด็กนะ่ะกัดข้อกัดหูกั ด, กดตาเก็เสียหมดท่านี่งเพราะนันยาให้เด็กไปใกล้ให้อยู่ไก ล, กลๆไว้หลวงพ่อบอกว่านะเรี่อมันลิ่งมั น, ม, นมันบรเข่าวลงเรีน่นงเลยขนาดคนเข้าเขารงเรี่นก็ะดกก็ะเดียบมันก็ยังดื้อ ย, ยังดานมาหาลิ่งเนี่ยมันบรเข่าวลงเรี่องเลยแล้วว่างเลย มันอาจจะกัดพวกเข้าก็ได้ให้ลูกหลานเขาอยู่ห่างๆไปหด้าพวกสัตว์ปลาอันตรายแต่ว่าตัวใดดืด้อหลวงพ่อกคยจะสังเกตดีหรอกการว่าตัวใดดืด้อด้ช่วงนี้มันเล่งดื้อได้ไหมลวงพ่อเล่งดื้อช่วงนี้หลวงพ่อก็จะให้เขาจับจับทรงออกหนกไปบางมันจับขาได้จับไปโผดไปมันดืออ้อทำไมอยู่ห่างๆมูมันยายอยู่ไก่คนมันดื้อมึ่ง ยับไปปล่อยปุณ น, นะลุบเล่าปุณ น, นะลุปเล่ามันเป็นทีเป็นมื่นไรปุณเนี่ยเอ่เป็นปลาชงวนติดบ้านเพิ่มหน้าแค่ว่างแค่หลายหมู่บ้านติดจังหวัดเลยปุณ น, นะเหนือที่มื่นกุไลเนียปลายังสมบูรณ์อยู่ในจังหวัดอุดรอของเฮ้าเนี่ยกะเนีปลานี่ย่ะสมบูรณ์ที่สุดสเออปลาสะวนว่าน่ยไปเดี๋ยวนี่ว่าน่ยไปแต่ก็ต่อไปก็บอนแน่ขึ้นกัน เดี๋ยวนี่ลดลงไปแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีหมอดมีปวกก็ใส่อยู่ตลอดลดลงไปก่องทับหมอดมันบอเอาเทอาละหลายได้บ้าเนเลยเอาเทอาละแผ่นสองแผ่นลดไปเอามาพอได้ขายอาันน้แผ่นหนึ่งก็หลายเงนินเลยนี่แหละมีแต่วัดหลวงพ่อทอนนั้นน่ะมีคำแพงล้อมรอบจังไรก็เขามาไไ้าปุ๋ยหลวงพ่อปลูกไม่สักกัเป็นหลายหมื่นตนนะ้นเลยจะว่าเป็นแสน บ่บมีพอได้นับพุ่นไปกันว่าแสนก็ษิว่าเวอร์ไปหลวงพ่อว่าจะว่าเป็นแสนพุ่นแล้วเนี่ยเต็มวัดเลยพันกุไล่เนี่ยมองได้ว่าได้ปลูกมัดข่านว่าเห็นไม่ซักพุนนก่นออกไปคำว่าไม่ซักแล้วแปลว่าเป็นไม่ปลูกท่านที่เลยพอในทินเฮาเน่ยบ่มีไม่ซักในวัดของเฮาเนื้อทินเฮาเนี่ยบ่มีไม่ซักมีแต่ไม้เนื้อื่นปะดูมักขาดแต่เกี้ยนท่องแต่ไม่ซักในแมนเลยล่ะเป็นไม่ปลูกคนนั้ หลงพอก็พยายามปุกมากไม่สักเออวันนี้วันี้ตรงวันที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555เป็นวันสิ้นเดือนเดือนกุมภาพันธ์มี28ถึง29วันแต่เป็นวันนี้เป็นวันที่29เป็นวันเป็นวันสิ้นเดือนของเดือนกุมภาเป็นวันพระด้วยวันนี้ เป็นวันพระแปดค่ำวันนั้นเห็นศรัทาาธาญาติโยมวันนี้มามากแต่ฝ่ายพระพระสงฆ์ไปออกประชันข้างนอกสองแห่งวันนี้แห่งหนึ่งก็นาคำน้อยพระไปห้ารูปแล้วก็ไปอำเภอเพนงานร้อยวันของพ่อคุบชูอีกสาม พระออกจากวัดแปดรูปป่ะเนี่ยเอาเลยดูดูบางตาไปเหมือนกันนะพระออกไปฉันข้างนอกมากแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็ไม่ค่อยอยากจะให้พระออกไปข้างนอกอย่างวัดหลวงตาเนี่ยท่านจะไม่รับนิมนต์ออกไปข้างนอกเลยพระถ้าท่านจะไปก็ท่านไปองค์เดียวถ้าท่านไม่ให้ไปท่านก็ไปให้ไปพระวัดป่าบ้านตาดจะอยู่ในวัดท่านว่าท้าว่าเรารับนิมนต์ ศรัทธาญาติโยมมาในมนต์เรารับทุกครั้งพระในวัดของเราเนี่จะไม่มีวัดฉันอาหารในวัดจะมีแต่กิจนิมนต์ทั้งหมดเพราะเหตุนั้นเราจึงปฏิเสธไม่รับนิมนต์ใครจะมาทําบุญมาที่วัดถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรถ้าใครจะมาทําบุญมาทําที่วัดนี่แหละอันนี้ก็คือที่วัดป่าบ้านตา เพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ถึงขนาดนั้นยืดยืดจุนจุนเผลอๆยังทะเลาไถ่ายต่างหากเลยยืดจุนเลยเพราะเวลายืดจุนคำนี้ก็คือเออญาติโยมผู้อยู่ใกล้จะทำยังไงน้าเพราะว่าเขาจะมาทำบุญเขาก็มาไม่ได้เพราะญาติพี่น้องเขาเยอะเนเขาขอไปที่บ้านเขาเถอะหลวงพ่อคือเอออ้าวยืดจุนแต่บางครั้งเออ มันเกินไปละมั่งเอาละอย่าไปไปเถอะมารวมกันฉันที่วัดเถอะให้ยึดแนวแถวขององค์หลวงตาไว้เป็นหลักเถอะทาบุญที่ไหนทําบุญที่บ้านก็มีพระสี่ห้าองค์มาอยู่ที่วัดของเราเนี่มีมีพระทั้งหมดยี่สิบสามสิบองค์เราจะอุทิศส่วนกุศลต่อพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้เพราะพระสงฆ์รวมกลุ่มกันมีพระหลายองค์ ฮะเป็นคณะสงฆ์ใหญ่อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับหมู่ญาติแต่สําหรับเราเนี่ยชอบง่ายๆนีมันก็ไม่ได้แต่ที่ทั้งนี้ทั้งนั้นถรามามีพระมากแต่าทายาธรรมของเราน้อยเราก็ไม่ต้องหนักใจมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเรามีเจตนาทําบุญเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราไม่ต้องคิดหนักโอ้ถ้าไปเลี้ยงพระอยู่ในวัดเนี่ยเราจะต้องทําอาหารเพิ่มหรือจองต้อง ใช้ทุนเพิ่มอย่างนี้เราไม่ต้องคิดเราเจตนาเท่าไหร่ก็เท่านั้นละ่ะถึงจะพระมากพระน้อยมาถึงวัดแล้วท่านแบ่งกันฉันเองเราไม่ต้องห่วงถึงไหนก็ถึงนั้นละ่ะถึงไหนองค์ไหนถึงองค์นั้นได้ฉันแล้วก็จบไปพระท่านไม่ได้ถือว่าเรื่องการอยู่การฉันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องการปฏิบัติธรรมของท่านน่ะเป็นเรื่องใหญ่ การทำบุญทำทานโดวยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลในหลักของพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นหลงพ่อจะบอกให้คณะทัดทาญาติโยมเพื่อเป็นแนวความคิดนะเพื่อการศึกษาในข้างพุทธกาลเนะี่ยมีไหมมีพระสงฆ์ไปรับนิมนต์อย่างเนี้ยอย่างพระสงฆ์ไปรับนิมนต์รับมัตตกะพัดคือทำพัดเ้วยการําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย พระสงฆ์ก็ไปไปรับนิมนต์ในสถานที่ต่างๆพอไปแล้วก็บางแห่งก็อื่อดีเอาอาหารตามมีตามเกิดพวกผักพวกหญ้าพวกอะไรอาหารตะลงตลาดมาทำบุญแต่ไปบางแห่งก็ไปเห็นเขาฆ่าสัตว์ไปฆ่าสัตว์พวกฆ่าแกะฆ่าแพะมาทำบุญฟุธิสโซนกุศลให้แก่ญาติพระสงฆ์ก็เลย ข้องใจมีความข้องใจเอ๊ะที่ทาบุญบางแห่งก็ทาบุญอีกอย่างหนึง่งแต่บางแห่งก็ทาบุญอีกอย่างห น, น, นึ่งอันไหนหนอยจะได้บุญมากกว่ากันพระสงฆ์ก็มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ขาขา่าฆ่าพระองค์ไปฉันในกิจนิมนต์ไปเห็นแล้วก็ศรัทธาญาติโยมขาไปฆ่าพวกสัตว์มาทำบุญมาทำบุญเลี้ยงญาติเลี้ยงพระเลี้ยงญาติ จะได้บุญได้กุศลไหมายนาะพระเจ้าข่านพระพุทธองค์ว่าเปล่าประโยชน์ภิกษุทั้งหลายเปล่าประโยชน์ไม่ได้บุญทำให้หนอพระเจ้าข่านเคยมีมาแล้วในอดีตการพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าวา่าสมัยไหนพระเจ้าข่านพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งมีทิส ป, ปามโมกอาจารย์อยู่ในกรุงพาราณสีมีลูกน้อง บริวารถึงห้าร้อยแต่นี้พอสอนไปแล้วอาจารย์ก็ยอยากจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะสอนลูกศิษย์อย่างนี้นะแล้วคิดอยากจะทำบุญให้พ่อให้แม่นะก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปไปจับแกะมาไปฆ่าทำบุญอุทิศให้พ่อแม่ญาติพี่น้องของเรานะทั้งลูกน้องก็เลยไปจับเอาแกะได้แกะพอจับมาแล้วก็จะนาไปฆ่านะ ไปตัดคอแกะเท่านั้นมันระลึกชาติได้ในชาติที่แล้วชาติก่อนๆมันเลยหัวเราะหัวเราะขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้ด้วยทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ตอนี้พวกลูกน้องของทิศสัพปะโมกอาจารย์ที่จะฆ่าแกะตัว น, นั้นน่ะก็เลยว่าแกะทําไมเธอจึงร้องไห้ถึงจูงหัวเราะด้วย แกตัวนั้นพูดเป็นภาษาคนขึ้นว่าให้นําข้าไปหาอาจารย์ของทูเจ้าไปหาทิสสะปโมกอาจารย์ถ้าไปทำไปหาทิสสะปโมกอาจารย์แล้วเราจะพูดให้ฟังพวกนั้นก็เลยเห็นแปลกข้าแกะมาท่อไหลไม่เคยมันพูดเป็นภาษาคนแล้วก็ไม่ทํากับกิริยาอย่างนี้ก็เลยนําแกะตัวนั้นไปหาอาจารย์ทิสสะปโมกทิสสะปโมกอาจารย์ก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไร ถามไอแกะทำไมเธอจึงหัวเราะแล้วร้องไห้เพราะเหตุอะไรแกะตัว น, นั้นพูดเป็นภาษาคนขึ้นว่าที่ข้าพระเจ้าหัวเราะเพราะว่าข้าพระเจ้าใช้กรรมมาแล้วอันนี้เป็นชาติสุดท้ายของข้าข้าจะต้องตายในวันนี้เป็นชาติที่ห้าร้อยแต่ที่ข้าพระเจ้าร้องไห้ เพราะว่าท่านจะได้ทำบาปกรรมเหมือนข้าพเจ้าทำมาในอดีตข้าพเจ้าจึงเห็นบาปกรรมของท่านข้าพเจ้าจึงร้องให้แต่นี้ทิศประโมกอาจารย์ก็บอกว่าที่ในอดีตการน่ะเธอระลึกชาติได้น่ะพูดให้ข้าฟังที่ว่าเธอทำอะไรแกตอนนั้นก็เลยบอกว่าในอดีตอดีตกรรมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเคยเป็นทิศประโมกเหมือนท่านน่ยะ อมีบริวารมากอย่างนี้เหมือนกับท่านเป็นที่สัปะพวกเหมือนกันแต่ข้าพเจ้าได้สั่งให้ลูกน้องไปจับแกะมาฆ่าข้าพเจ้าเลยรับเต็มๆเลยก็เลยถูกตัดคอมาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าชาติเนี่ยเป็นชาติที่ห้าร้อยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะพ้นละชาติดีเอข้าพเจ้าจะพ้นในชาติดีแหละแต่ข้าพเจ้ายังมองเห็นบาปกรรมของท่านที่จะต้องรับกรรมอีกที่ท่านจะฆ่าแกะเนี่อ ท่านจะต้องรับบาปกรรมที่ท่านได้กระทาไว้คือการฆ่าสัตว์ทิศสะประโมกได้ยินอย่างนั้นแล้วก็โอ้เราไม่ฆ่าเจ้าหดอกยุดเราจะไม่ฆ่าเจ้าเราจะเป็นผู้คุ้มครองเจ้าอีกต่างหากแกะตัวนั้นก็เลยบอกขึ้นมาว่าถึงท่านจะคุ้มครองข้าพเจ้าก็เถอะแต่ข้าพเจ้าเนี่ยได้ทําบาปกรรมไว้แล้วในอดีตเป็นชาติที่ห้าร้อยหล้วชาตินี้ถ้าข้าพเจ้าถึงยังไงข้าพเจ้าจะต้องตายในวันนี้ ทางทิศปะโมกตายไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้บริวารลูกน้องของเรากับตัวของเราเองจะติดตามเจ้าอยู่ตลอดจะคุ้มครองเจ้าอยู่ตลอดแก่ตอนนั้นจะคุ้มครองอย่างไรก็ตามข้าไปเจ้าก็ไม่พ้นกรรมที่ตนได้กระทำไว้แต่นี่แก่ตอนนั้นก็เลยปล่อยไปปล่อยแกะตอนนั้นไปพวกลูกน้องบริวารเนี่ยพยายามสังเกตสังกาห้อมหน้าห้อมหลังมันจะไปที่ไห น, นจะกินอะไรลักษณะอย่างนั้น พรตอนนี้แกเท่านั้นก็นไปปีนป่ายขึ้นไปไปเห็นพลานหินแล้วว่าก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วก็มีเถาวันมันมาคุมก้อนหินแกะก็เลยปีนขึ้นไปไปกินเถาเาวันคือเขาเถาวันพอมืดมีเมฆฝนมาทั้งบนฟ้าะพอมีเมฆมาเท่านั้น่ะฟ้าผ่าเปี้ยงลงไปอตัดคอแกะเท่านั้นเลยขาดเนละ แก่ตอนนั้นก็เลยตายพอตายเจลตเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ที่ต้นไม้บริเวณนั้นะแสดงตนให้ปรากฏออกมาบนอากาศบอกว่านี่นะกรรมทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายอย่าทํากรรมเนะถ้าเป็นการฆ่ากันถึงขนาดฆ่าสัตว์เฉยๆก็ยังบาปกรรมถึงขนาดนี้ถ้าฆนะ่ามนุษย์นะฆ่ามนุษย์ด้วยกัน หรือฆ่าผู้ทรงศีลหรือฆ่ามนุษย์ที่เป็นผู้มีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีจะบาปขนาดไหนแต่ขนาดฆ่าแกะขนาดนี้ก็ยังบาปถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่ายินดีในการฆ่าสัตว์อย่ายินดีในการฆ่ากันให้สำรวมระวังเพราะกรรมตัวนี้มันติดต่ตอ น, นอเนื่องสืบเนื่องไปนานเท่านานนี่แหละเทวดาแสดงตนให้ปรากฏ จากนั้นมาก็หายเงียบคนในยุคนั้นสมัยนั้นก็เลยงดในการฆ่าสัตว์เป็นเวลาชะนมนานชาดกในเรื่องนี้ที่พระพุทธองค์ได้ยกขึ้นสอนให้รู้ว่าเนี่ยการฆ่าเป็นการที่สืบเนื่องเทวดาในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นเราตถาคตในชาตินี้อันนี้ก็คือท่านพระองค์ยก เป็นตัวอย่างให้แก่พวกพุทธศาสนิกชนพูดลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธองค์นี่แหละสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อได้ศึกษาได้อ่านมาในพระไตรปิฎกถึงจะเป็นเรื่องแท็จหรือจริงอย่างไรก็หลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษามาแต่หลักของพุทธศาสนาท่านกล่าวก็กรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วในเมื่อข่าคนอื่นคนอื่นก็คิดข่าเรา อันนี้ก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้วถึงจะหนักหนาสาหัสถึงขนาดนั้นหรืออันนี้ก็มันก็เป็นแนวความคิดอีกเหมือนกันแต่หลวงปู่จามนะหลวงปู่จามที่มาอยู่บ้านห้วยทรายที่เป็นหลวงอาร้อยสามปีที่จะถึงนะท่านห้ามเด็ดขาดจริงๆริงนะจะเป็นกระถิ่นก็ตามจะเป็นผ้าป่าก็ตามจะเป็นงานไหนก็ตามท่านจะห้ามเด็ดขาดจะจัดงานไม่ได้นะเออ เพราะว่าสมัยนั้นบ้านห้อยทรายก็เป็นบ้านอยู่ป่ารงพงไพนรวยมากมีแต่พีงานขึ้นมาแล้วก็ล้ ม, มวัวล้มควายเลี้ยงเป็นอาหารเลี้ยงคนเล้วยก็จากนั้นก็กินเหล้าเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยากันหลวงปู่จามท่านเห็นแล้วท่านบอกเออถ้าเรางานกระถินขึ้นมาไม่มีอาหารชูเจ้าก็จะต้องฆ่าวัวฆ่าควายมาในงานกระถินของเราเพราะนั้นกระถินของเราไม่มีเราจะไม่มีงานกระถิน ใครจะออกมาก็ออกมาทำบุญเท่าไหร่ไม่ทำก็ไม่เป็นไรข่าบวชมาคขาเนี่ยข้าไม่ได้มุ่งหวังทรัพสมบัติไม่ได้หวังล่ําหวังรวยอะไรทั้งหมดข่าจะอยู่แบบแบบพระแบบผู้ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรมข้าพรเจ้าจะไม่ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายในเรื่องการข่าการอยู่การกินข่าไม่ต้องการลาบยศอะไรทั้งหมดอันนี้หลวงปู่จามท่านพูดนะ อไม่เคยมีจริงๆว่างั้ น, นมีแต่เมื่ออายุท่านร้อยปีเนี่ย น, นะร้อยปีกับบ้านเมืองก็เจริญแล้วท่ น, นี่เอ่อเอาของอาหารร้านอาหารก็มาจากตลาดมาจากในเมืองได้หลวงพ่อเนี่ยเออลูกหลานทุกคนน่ะจุดประสงค์ของหลวงอาหลวงปู่หลวงตาของเราเนี่ยท่านว่าไม่ให้ข่าสัตว์มาให้กินเล่าเพราะนั่นวันนี้บ้านเมืองของของเราก็เจริญมากแล้ว การตลาดการไปมาหาสู่จากในเมืองจากที่ไหนๆก็มาได้สู้เจ้าจะเป็นล้มงัวล้มควายนะ่ะจากเจตนาของหลวงอาหลวงปู่ของเราหนะ่าหยุดนะ่าทางว่าพวกสู้เจ้าทําอย่างนั้นเราจะพาทําบุญลําลึกถึงหรือว่าแสดงความกตัญญูในองค์หลวงปู่ของเราร้อยปีแฮะหลวงพ่อจะพาทำร้อยปีของหลวงปู่จามหนะเขาก็รับนะ เขากรับทุกคนเอออารับเอาทําบุญโอ้ปีนั้นอ่ะสองปีให้หลังรู้สึกว่ามืดฟ้ามัวดินเลยคนมาในงานในงานของหลวงปู่นะเพราะท่านไม่เคยจัดมาก่อนเลย น, นี่แหละเหตุนี่แหละคือที่หลวงพ่อได้กล่าวมาเข้ากันได้ในพระไตปิดดกที่ว่าท่านไม่ให้ทําบุญทําทานอย่าไปหาคิด ค่าจัดตัดชีวิตค่าบัวค่าควายอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่วายชนผู้ที่ตายไปพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้หาอาหารในตลาดที่เราไม่ได้สั่งเราไม่ได้แนะเขาไปเอามาโดยที่มันมีอยู่แล้วแเราจะเอาหรือไม่เอาเขาฆ่าไว้อยู่แล้วมีเนื้อไว้อยู่แล้วเราเอาเท่าที่มีมาทําบุญทําทานเรียกแขกเลียงคนนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลแต่ทางว่าเราไปสั่งให้เขาฆ่าให้เขาจัดการ มันก็เป็นบาปเป็น อ, อกุศลสําหรับผู้ที่วายชนไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะขอฝากไว้กับพวกคณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนที่อยากคิดจะทําบุญออย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีอะไรเท่าไหร่ก็เท่านะั้นะคือเจตนาของเราเป็นหลักนะเจตนาของเราเป็นหลักใจเรามีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจออยากจะทําบุญทํากุศลเออ ให้แก่บรรพชนคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราอาหารอะไรก็เท่าที่มีนั่นะพวกผักผักยา่ายาติเลี้ยงน้ำกัเลี้ยงเป๊บสี่โคลดาน้ำแข็งกาฟงกาแฟไปเหลายาอะไรของงดงดเว้นอันนี้คือการทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้บุกาีบุคคลผู้มีอุปการะตัวทาบุญให้วงสาคณะญาติ ข, าาของเราให้พวกเรา ถึงจะไม่เชื่อร้อยเปนก็ให้สกิดใจเอาไว้นะให้ทำใจหรือสกิดใจเอาไว้ให้ฟังเอาไว้ในเรื่องเหล่านี้นะเพราะเรามองไม่เห็นแต่เมื่อเราทำไปแล้วเนะี่ยบางทีเดินเจอเข้าไปเต็มเป้ามันก็จะหนักเกินไปถ้าเราระวังระวังไว้กว็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะนี่แนหะคือการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่ามีเงินมีคำทรัพย์สมบัติแล้วก็ สั่งดะมาเลยจัดการฆ่าอะไรมาเลยกินเหล้าเมายัด เ, เต็มที่เต็มทางอย่างนั้นไม่น่าถูกนะเราต้องศึกษาอีกเหมือนกันในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในะท่านสอนว่าอย่างไรมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะเป็นธรรมมันจึงจะมีเหตุมีผลปลูกยังไงมันจึงจะได้ผลไม่ใช่ว่าปุ๋ยเอามาใส่มากๆแล้วก็เอา ก็มะเขืออะไรลงไปเผอๆนี่ตายหมดปลูกไม่จุกไม่รู้จักวิธีวิธีกรรมวิธีการนี่ก็เหมือนกัน่การจะทำบุญเราก็ต้องรู้จักศึกษาให้รู้จักวิธีการวิธีกรรมทำยังไงจึงจะเหมาะสมทำยังไงจึงจะได้บุญกุศลมากสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราศึกษาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทำอะไรทำอย่างที่ใจตัวเองต้องการ อย่างที่ตัวเองอยากจะทำในเมื่อทำอย่างนั้นบางทีมันอาจจะผิดพลาดได้เหมือนกันนะเพราะนั้นการทบุญทาทานการจะสร้างคุณงามความดีการจะภาวนาก็เหมือนกันการจะภาวนาภาวนาในี่ยใจภาวนาได้ถูกต้องแต่ภาวนาเข้าไปเป็นบ้าก็มีนะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ถามไทยพอภาวนาเข้าไปแล้วก็หลงผิดใช่นห หลวงผิดก็ไปทางวิปัสสนูอุปกิเลตไปทางกิเลตอันนี้ไปว่าเป็นวิปัสสนูแต่ถ้าวิปัสนาเป็นชำระกิเลตแก้กิเลสชำระใจของตนเองให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลตอันนี้เรียกว่าวิปัสนาสมถะและวิปัสนาแต่ถ้าวิปัสสนูวิปัสสนูแปลว่าอุปกิเลสมันสาคัญผิดนะ างา น, นสิ่งเหล่านี้ขนาดภาวนาแท้ๆก็ยังมีผิดมีถูกนะเพราะสิ่งอย่างอื่นมันก็ต้องมีเหมือนกันให้ทานยังไงทึงจะถูกต้องให้ทานยังไงจึงจะผิดมันผิดรักษาศีลอย่างไงศีนจึงจะบริสุทธิ์ศีนไม่ด่างไม่พร้อยอย่างนี้ภาวนายังไงจึงจะถูกต้องสรุปแล้วก็คือต้องได้รับการศึกษาทั้งนั้นนะถ้าเราไม่ได้รับการศึกษามันผิดพลาดได้นะ นี่ก็ขอฝากไปกับพวกเราทุกๆท่านนะต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมธนาให้พร